อย่ายอมไย้ดูาลคณะทันตแพทย์เมื่อไหวพราทำบัดจะเดิญพุทธมนเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกศรรุศลกับตัวเองแล้ว ก็คืออันดับต่อไปฝึกนั่งสมาธิทาความสงบของจิตใจพวกเรามาฝึกใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่ฝึกให ม, ให ม, ใหม่อย่าไปเลิมตอนกลางวันหลวงปู่สอนที่พึ่งทางจิตใจให้ท่องพุทธโธธรรมโมสังโคในใจน่ะนะ อันนั้นนำมาใช้ในขณะที่เราอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆลักษณะนี่ยให้ถือว่าเป็นงานที่จะต้องทำเวลาที่จะต้องทำงานอันนั้นเกิน อ, อยู่จะพะ ตัวเองไม่ต้องคุยกันถึงจะนั่งมากขนาดไหนเดี๋ยวเนียมากคนขนาดไหนก็นั่งของใครของเรานั่งทำรรสมาธินึกพุทโธทมโมสังโฆพุทโธทมโมสังโฆพุทโธรมโมสังโฆ ท, โท่ทมมงทองให้เป็นนิสัใจซะก่อนเมื่อรู้จัก วิธีทมแล้วก็ค่อยมาเอานึกพุโทโธคำเดียวเรามาฟังใหม่ฝึกใหม่จําเป็นอยู่ดีจําเป็นอยู่เองแหละที่จะใช้คำท่องพุโทโธธรรมโมสังโฆเอาเริ่มต้นใหม่ในเ ว, นวลานี่ทุกคนญาติยอมนักศึกษาทันตแพทย์เรานั้นปนมมือขึเคลเอาปนมมือขึ้น ทาว่าเหมือนเี่หลวงปู่สอนตอนกลางวันน่ะนะว่าเสียงพอได้เย็นเอานึกพุทธโธทธรรมโมสังโฆเอาว่าตามพุทธโธทธรรมโมสังโฆเอาว่า <c oughs> เอาหยุดตรงนี้ก่อนทีเนี้ความหมายนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไก่ตามธรรมดาจิตใจของเรานั่นน่ะมันไม่มีที่เพิ่งมันไม่มีที่โยกคิดทั้งวันทั้งคืนเว้นไว้แต่นอนหลับ ที่หลวงปู่สอนญาติโยมลูกหลานเพื่อจะให้เข้าใจว่างงานของตัวเองนอกจากงานอันเอื่นที่พวกเราทำประจำวันอยู่ว่างๆนั่นนะโดยเฉพาะในขณะนี้อยู่ว่างๆนี่งานเอื่นไม่มี ต้องเอางานนึกพุทธโธธรรมโมสโาพุทธโธธรรมโมสโานึกในใจถ้าออกเสียงหลวงปู่ให้ออกเสียงก็ออกเสียงถ้าหลวงปู่ไม่ให้ออกเสียงก็นึกในใจอันนี้คืองานฝึกที่ญาติโยมและทันตแพทยูกคดานทุกคนเจตนามา มาเพื่อปฏิบัติธรรมความหมายนะนะั่นน่ะคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือเรามาตั้งใจภาวนาทรรมก็คือการกระทาของพวกเราน่นเองการกระทาเดี๋ยวนี้เรามีใจเป็นหลักเยืด เอาใจของเราเป็นหลักการกระทําใจของเรานี่ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังมาฝึกใจของพวกเราจะไม่มีหลักหลักที่เป็นสาระหลักที่เป็นแก่นสารก็คือมีสติใจของพวกเราถ้าเรานึก ภาวนาพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ ค, คือการเพิ่มกําลังของสติคําว่าสติคือเครื่องระลึกรูก้เครื่องระลึกได้ฉะนั้นการที่พวกเรามาเนื้อพุทธโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจหรือออกเสียงพอได้เย็น พอรู้จักแนวทางฝึกอันนี้คือการปฏิบัติการกระทำคือการปฏิบัติโดยเฉพาะคือปฏิบัติใจใจของพวกเราเราจะไปเรียนรู้ยังไงคาว่าใจเอกศัพท์หนึ่งที่พวกเราควรจะเรียนรู้คำว่าจิตจติตใจจิตใ จ, จ, ตใจในหนา เท่พวกเราโพูดเท่พวกเรานึกหรือเคยได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดก็ว่าจิตใจจิตใจนะ่ะนะให้เรียนรู้ในขณะนี้คาว่าจิตคือความนึกความคิดที่พวกเราเนิร์คิดอยู่นั้นท่านเรียกว่าจิตคําว่าใจเนี่ยก็คือความรู้ เดี๋ยวนี้เรานั่งดับตามันโลโยความรู้สึกตัวนี่แหละเรียกว่าใจกำลังความรู้สึกตัวเรียกว่าคุ ณ, ณธรรมคือสติถ้าขาดใจหรือขาดจิตอันนี้ใจไม่มีจิตไม่มีอยู่ในรูปร่างเขาเรียกคนตาย เข้าใจความหมายไหมเดี๋ยวนี้พวกเรายังมีชีวิตอยู่กับว่าอย่าไปเข้าใจเรื่องเงินว่าร่างกายของพวกเรานี่ยังมีใจอยู่ในรูปร่างยังมีจิตอยู่ในรูปร่างพวกเราทุกคนให้เข้าใจความหมายตรงนี้เข้าใจความหมายอกีกลักษณะหนึ่งทำไมจึงมีการมาฟั ง, ม า, ฟงมาฝึกมาปฏิบัติธรรมเนี่ย พอใจของพวกเราเ น, นี่นะมันยังมีอารมณ์แห่งความโลภมีอารมณ์แห่งความโกรธมีอารมณ์แห่งความหลงมีอารมณ์ของตัณหาความทะเยอทะยานอยากความอยากความต้องการนี่นะมาประสานกับโลภโกรธหลงตรงนี้เป็นเหตุ ทำให้เกิดทุกทางกายทางใจที่เนี่ยให้มาเรียนรู้ตรงนี้ทุกที่มันเกิดขึ้นทางกายทางใจมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรื่องอืนอ่นๆนะเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ของตัณหาก็ฟังแต่ชื่อมันเป็นไรนกิเลสโลภโกรธหลงชื่อแต่และชื่อมันก็ไม่น่าฟังอยู่แล้ว เชื่อแต่ได้เชื่อมันก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอยู่แล้วเชื่อมันความจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรารู้จักใช้ความฉลาดเลือกอารมณ์อารมณ์ของตัณหาทีเนี่ยตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากความอยากความต้องการโดยะะจะพอกระอยาก ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์นี่แหละมนุษย์คนเราสามัญชนปุถุชนทุกคนทั่วโลกทั้งหญิงทั้งชายแต่พระพุทธเจ้าห้ามห้ามส่วนที่ได้มามีมาในทางที่มันผิดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันเกิดขึ้นในทางที่มันผิด นี่พระพุทธเจ้าห้ามถ้าได้มามีมาทางที่มันถูกเกิดขึ้นในทางที่มันถูกพระพุทธเจ้าม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติโลกกนเนีย่ยฉะนั้นที่จะเห็นคุณค่ากับความดีส่วนนี้มาเรียนรู้แบบธรรมชาติเสียก่อน เดียนรูปแบบธรรมชาติเกิดสังขารร่างกายของพวกเรานี่ยนะมีมาได้ยังไงสังขารร่างกายเนี่ยรูปร่างของพวกเราถ้าว่าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและบุญพาพวกเรามาเกิดเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี่บุญพาพวกเรามาเกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดจะเพราะ เฉพาะพบนี่ชาตินี่นะใจของพวกเรานี่นนะมันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นใจคือความรู้เนี่ยมันรู้อยู่นั่นนะ่ะพวกเรายังวัยยังน้อยยังหนมจะเข้าใจว่าเออใจมันไม่แก่จริงๆถ้าอายุหกสิบเจ0ดสิบแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปแล้ว สังขาร่างกายเรียกว่าคนเท่าคนแจ่แล้วแต่ใจก็เหมือนอย่างใจเหมือนพวกเรานั่นแหละยังน้อยอยังนมยังใสแจ๋วไม่ปากฏความเท่าความแจ่เลยอันนี้เรื่องของใจใจคือความรู้นี่นะที่เรานั่งเราเนึกมันโลอยู่เดียเ๋ยวนีย นอกจากแก่ไม่เป็นนะใจดวงนี้ไม่เคยตายเอี่ยมันตายไม่เป็นใจดวงนี้นะ่ะแก่ก็ไม่แก่ตายก็ไม่เคยตายฉะนั้นนะพวกเราเกิดมาพบนี่ชาตินี้ในโลกมนุษย์พวกเราผ่านอบายภูมิมาได้เพราะบุญเพราะกุศลพวกเราความดีของพวกเรา อบายภพสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเรียกว่าอบายภิเป็นพบภิที่หาความสุขเป็นพบภพที่หาความเจริญไม่ได้สัตว์เดรัจฉานน่ะนะแต่ตัวใหญ่ขนาดไหนตัวเล็กขนาดไหนดูเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์อันไหนมันมากกว่ากันเนา ตั้งใจฟังใต้ตั้งใจวิเคราะห์ตั้งใจพิจรารณาถ้าเราดูแล้วศึกษาแล้วอ่ะสัตว์เดรัจฉานนี่นะจะมากกว่ามนุษย์มดตัวแดงแมงตัวเล็กดูไปเลยวะปวกต่างๆมดตัวแดงแมงตัวเล็กแต่ได้ฝงแต่ได้หมูแต่ได้พวกมากขนาดไหน น, นะ แต่ที่นี้มนุษย์คนเรามาเปรียบเทียบกับมนุษย์คนเราคนเราถึงจะมากก็มันไม่มากเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเป็นไปได้ยังไงเกิดได้ยังไงสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะเขาก็มีดวงจิตดวงใจเวียนไหวใจเกิดเหมือนพวกเรานั่นแหละแต่เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือเขานึกถึงความดีไม่ได้ เนึกถึงบุญไม่ได้เนึกถึงกุศลความรู้ความฉลาดไม่ได้เมื่อนึกถึงความดีไม่ได้การเกิดขึ้นมาก็ยังเกิดเป็นสัตว์เด ร, าารัจฉานลองตั้งใจดีๆเอาตั้งตติดีๆพวกเราต้องการอยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมถ้าเกิดอดีกพบหน้าชานหน้าเอาไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานไหม ภูความสำนึกตรงนี้อยากจะให้พวกเรามีความตั้งมั่นมั่นใจว่าให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเท่านั้นศีนก็เหมือนอย่างกลางวันที่ต้องปูย่ยำแล้วยำอีกคือศีลห้าศีลห้านั่นนาเว้นจากความชั่วห้าอย่างถ้าเว้นจากความชั่วห้าอย่างได้ รู้จากการทำบุญทำทานรู้จาก forward, จาการกราบพระไหวพ้พระการเกิดขึ้น medicine, มาก็เป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้จักการกราบพระไหว้พระไม่รู้จักการทำบุญทำทานมารู้จักการภาวนาเนื้ถึงพุทโทธรรมโมสังโฆเจีิใจก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันเนึกถึงพุทโทธรรมโมสังโฆได้ไหมมันรู้จักการกราบพระไหว้พระได้ไหม ศาตเดรัจฉานนั่ะแต่ตอนั้นน่ะกิริยามน a า, าตของมนุษย์คนเรานั่นน่ะฝึกให้อยู่ในความดีความดีโลกมนุษย์ยอมรับว่าความดีรู้จักการกราบรู้จักการไหว้รู้จากการนอบน้อมถ่อมตัวกิริยามน a า, าตความดีอันนี้ลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสอนสอนแล้วฝึกสอนแล้วทําสอนแล้วปฏิบัติ ผลความดีตรงนี้มันไปรวมอยู่ดีใจใจที่มันแ่ไม่เป็นใจที่มันตายไม่เป็นนี่นะ่ะเมื่อออกจากรูปล่าง <c oughs> จุติเคลื่อนออกอาณาสงของการรักษาศีลทำบุญให้ทานการฟังเทศฟังธรรมรู้จั ก, จกบนรู้จักบาปเชื่อว่าบุญมีจงบาปมีจง บาปจะไปเห็นที่ไหนก็เห็นอย่างที่ว่าสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทนั่ น, นตัวบาปหรือมนุษย์คนเราที่เกิดขึ้นมาไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นมาเป็นคนทุกข์คนยากคนระบากกากรรมอันนั้นด่าบุญเขามันมีน้อยบาปเขามันมีมากหนักหน า, นาเขา้าหูหนวกตาบอดเฉินกดขาด้วนเข้าไปอกีกอันนั้นด่าบาปเขามันมากบุญเขามันน้อย ใครต้องการลักษณะนั้นเนาคนที่เขาเป็นเขาก็ไม่ต้องการทำไมเขาเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะนั้นได้อ น, นั้นผลความชั่วจากการกระทาความชั่วของเขาเกิดขึ้นมาจาึงเป็นลักษณะนั้นเมื่อเป็นลักษณะนั้นจะเป็นบาปบาปคือความทุกข์บาปคือความไม่สมบูรณ์ในเจวิตความเป็นโยความหมายนี่นจะพวกเราทุกท่านทุกคน ต้องการมาฟังต้องการมาฝึกกเพื่อยกฐานะจิตใจของพวกเราให้พ้นจากอบายยาพรมสัตว์เดรัจฉานพวกเปรตพวกผีสัตว์นรกอเวจียิ่งแล้วไล่ไปก่นสัตว์เดรัจฉานดิเป็นไปได้ยังไงเปรตผีอสุรกายสัตว์นรกหมายถึงเอาจิตใจนี่ดะเป็นใจของพวกเราเดี๋ยวนี้มองเห็นตนเห็นตัวไม่มีตัวมีตนไหม นั่นเห็นไหมเจตใจไม่มีตัวไม่มีตนแต่ปรากฏความสุขกับปรากฏอยู่ที่ใจความทุกข์กับปรากฏอยู่ที่ใจแต่ในขณะเดียวกันนะั่นแหะความสำเนึกที่ปรากฏภายในใจมันปรากฏเป็นรูปร่างแบบธรรมชาติเหมือนพวกเรานอนแล้วฝัน แตรูปร่างกายของพวกเราไม่ใช่หรือเราฝันไปนั่นนะรูปร่างกายจริงๆมันนอนอยู่ดีนอนแต่นั้นลักษณะปรากฏเป็นรูปร่างลักษณะนั้นแหละไปตกนรกนี่ทนทุกข์ทรมานปลากฏตัวเองทนทุกข์ทรมาน เ, นเป็นเปรดเป็นเพศกะทนทุกข์ทรมาน อสุรกายกระทนทุกโสมรมานแะ่นั้นจะว่าบาปมันน่ากลัวเหลือเกินหน้ า, ากระยะกระแหวงเหลือเกินใครบอกใครสอนตรงนี้ใครเตือนพวกเราให้รู้ตัวนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครบอกใครเตือนไม่มีใครบอกใครสอนแะนั้นพระพุทธเจ้าต ร, าารัสโลด้วยหูทิพตาทิพของพองท่านรู้เรื่องนี้เดี๋ยวจึงมาบอกมาเตือนพวกเราให้รู้จากความเป็นบุญให้รู้จากความเป็นบาป ถ้าพวกเรากลัวบาปกลัวทษกลัวโทษอย่างที่ว่านั่นน่ะให้รู้ตัวเตือนตัวแต่เนี่ยบาปที่ทําไปได้ก็เพราะอํานาจแห่งความโลภความโกรธความหลงตันหาความทะเยอะทะยานอยากอยากในทางที่มันผิดให้พานเข้าใจความหมายการฟังการฝึกการฝึกการฟังเอาติ ด, ดีดต่อไปจะได้ <c oughs> นําพวกเรานั่งสมาธิดีกว่า พูดไปนานมันก็นเหนื่อยนั่งสมาธิกายนึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆนึกเอาในใจไม่ต้องออกเสียงถ้าออกเสียงก็คือเวลาฝึก ส่วนมากส่วนรวมอันนี้เราฝึกเฉพาะเรียนรู้แล้วนึกในใจนึกอพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธัรมโมสังโฆนึกในใจก่อนที่นึกในใจทําใจของพวกเราให้เข้าหาความดีให้เข้าหาความเป็นบุญซะก่อนทําใจเข้าหาความดีเป็นยังไงเข้าหาอารมณ์อารมณ์ดี ทำใจให้ดีอารมณ์ดีมันจะเกิดขึ้นอารมณ์ดีนั่นแหละใจของเราดีอารมณ์ดีใจดีอันนั้นแหละใจเข้าหาความเป็นบุญเป็นกุศลแล้วรู้จากเท่เพิ่งทางด้านจิตใจคืออารมณ์ ถ้าทําใจอารมณ์ดีสดชื่นเลื่อนเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจภายใต้ความจำเนึกส่วนลึกของหัวใจมีแต่ความสดชื่นเลื่อนเริงยิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจเย็นใจใจมีความสุขใจมีคุณธรรมใจมีความดีใจมีความสุ ข, รราาสขอารมณ์ลักษณะนี้อารมณ์ดีเรามาฝึก เมื่อฝึกอารมณ์ดีนึกถึงอารมณ์ดีแล้วก็นึกพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆต่อไปเรื่อยๆ จนได้เวลาเอาที่นี ate, side, prayers, ้หลวงปู่จะได้โยตร์คำอธิบายขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนตั้งใจเนื้อพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆฝึกใหใจของเราอยู่กับความเนื้อ n เนี้่จนได้เวลาพอสมควรเวลาพอสมควรหลวงปู่จะเป็นผู้เตือนแดงเป็นผู้บอกแง่จะได้โยุดคําอธิบายที่พวกเราพวกเราทุกคนตั้งใจตั้งติดีๆนึกพุทโธธรมโมสังโฆต่อเรื่อยๆไปจนถึงเวลาได้เวลา พอจำควรที่นนันาดาวงปู่็จะบอกผ่านเข้าใจทำไมพระพุทธเจ้าหรือท่านผู้โล้จึงสอนให้มนุษย์ทั้งหลายมีการฝึก นั่งสมาธิหรือว่ามีการปฏิบัติทำการฝึกนั่งสมาธิเพราะการฝึกนั่งสมาธิถ้าทำได้เป็นการสร้างความดีกำลังใจให้มันเกิดขึ้นกำลังความดีของใจทุกคนต้องการ ในขณะที่เรานั่งอยู่นิ่งๆ น, นั่งอยู่เงียบๆนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยมันต้องใช้คุณธรรมความอดใช้คุณธรรมความภาคความเพียนความเอาใจใส่จดจาะต่อเนื่องกับคำบริกรรมที่นึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆการเอาใจใส่ ียใจไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่ความเจ็บความปวดตรงนี้ความดีของใจคุ ณ, ณธรรมของใจมันเกิดขึ้นมีขึ้นและวจานั้นงานการฝึกปฏิบัติสมาธินี่จึงเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐท่ากาฝึกได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่นนะงานที่พวกเราทำนมันง่ายนิดเดียวไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเพื่อพวกเรามาตั้งใจฝึกตั้งติฝึกนั่งสมาธิความดีของใจเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิความอดความทนไม่หวั่นไหวไม่ะทรกสถานนี่ความดีจากการฝึกการฝึกนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมผพานเข้าใจความหมายการฟังการฝึกอาวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจรเวลา เออพุ่งนี้่เช้าตอนรรทําวัดเช้าตอนตีห้ามารวมวันที่ตลาดมีครูบาอาจารย์มานรรมําทําวัดเช้าด้วยตอนตีห้ามารวมที่ตลาดนี่นิพานเข้าใจหลังจากรรทําวัดเช้าเสร็จถ้าเพื่อบยังไม่สว่างท่านก็จะพาตั่งสมาธิจ น, นสว่างหกโมงเช้า คอยหรือว่าจะวางเป็นวันใหม่ค่อยเลิกไปทําธุรกิจของใครของเราเอาผ่านเข้าใจตอนเช้าเวลาตีห้าพากันมาที่ตลาดทําวัดเช้า ก, นกันทุกวันทุกวันที่พวกเรามาฟังมาเบิกนี่ละเอาวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนเอาเลิกเพียนเนี่ยบทของใครของเราเอาทีเนี่ยเอาพวกโยมกลับพร้อมกันเลิกพร้อมกันเลิกไปก่อน